ถ้าลงสู่มโนทวาราชชนะก็คือนั่นแหละในมโนทวาราชชนะทาโยนิโสมนสิกาในการตั้งใจแต่ละครั้งก็ว่าว่าเอ้ยเราต้องเอาจากคุกวิญญาณเป็นประมาณได่แล้ะจากคุวิญญาณไม่กำหนัดไม่ขาดเกลื่องล่มหลงฉี่ไห น, นเราจะทำให้ชาวนาะกำหนดขาดเกลืองล่มหลงไม่ควรเลยการตั้งอัธยาศัยอย่างนี้แต่ละครั้ง